ต่อไปนะครับตันหาสูตร OO, ตัดสูตรนี้น่าดูนะครับตันหาสูตรจึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนะครับพระสูตรนี้พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตันหา3ประการนี้3ประการเป็นไฉนะคือการมตันหาหนึ่งภาวะตันหาหนึ่งวิภาวะตันหาหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ตัณหาสามประการนี่แหลนะครับคุ้นๆกันดีนะตัณหาสามเนี่ยในฐานะอะไรครับสมุทัยสัต์ใช่ไหมครับจะได้รับคําพูดถึงบ่อยๆในฐานะสมุทัยสัตว์คือต้นเหตุหรือว่าต้นเขาแห่งวัตทุกข์นะครับเป็นตัวที่ก่อให้วัตทุกข์เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลาย ประกอบแล้วด้วยตันหาเครื่องประกอบสัตว์ไว้ตันหานี้เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใช่ั้ยครับประกอบไว้ในประกอบในวัตะนะครับมีจิตนะครับคือชนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีจิตยินดีแล้วในพบน้อยและพบใหญ่ชนเหล่านั้นประกอบแล้วด้วยโยคะคือบ่วงแห่งมานเป็นผู้ไม่มีความกเกษมจากโยคะ ศาสทั้งหลายพูดถึงชาติและมรณะย่อมไปสู่สงสารหมายความว่าคนที่ปล่อยชีวิตปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปกับตันหาเที่ยวเพลิดเพลินในภพทั้งปวงก็เท่ากับถูกบ่วงแห่งมารสวมไว้ก็จะถูกฉุดไปหาความเกิดและก็หาความตายไหลไปในสงสารไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะถูกประกอบแล้วด้วยตันหานะครับถ้าถ้ามองเหมือนปลานะครับท่านเรานึกถึงปลานะ ปลาตัวหนึ่งนะครับถูกตาข่ายติดไว้ก็เหมือนกับนะชนทั้งหลายประกอบด้วยตันหาใช่ไหมนะทีนี้ก็ยินดีในภพน้อยภพใหญ่นะตาข่ายเนี่ยมันผูกมัดให้มันติดไว้ในภพน้อยภพใหญ่นะครับแล้วก็ถูกบ่วงของมารเสร็จแล้วก็ไหลไปสู่ความเกิดและความตายไหลไปในสงสารนะครับนะ พบน้อยก็กลามาพบนะครับพบใหญ่ก็คือรูปประพบเป็นต้นนะครับก็วนเวียนอยู่นี่แหละครับแต่ทีนี้มันไม่ได้เป็นปลาอย่างเดียวนะครับก็เป็นอย่างอื่นด้วยนะเป็นพวกเราด้วยนี่แหละครับมีตันหาสวมไว้ที่คอด้วยนะครับผูกพันกันน่าดูเลยนะ่นะคิดดูนะตันหาวันๆหนึ่งมันกระซิบกระซาบไปไหนนักก็ไม่รู้เนาะอัตกถาตัหาสูตรนะครับกีเลศชื่อว่าตัหา กิเลสนั่นแหละครับกิเลส ช, ชาตินะ น, นะเพราะหมายคก็ว่าทยานอยากมันทะเยอทยานนะครับถ้าทะเยอทยานนี่หมายนึกถึงเครื่องบินหรือเปล่าแต่ในที่นี้ก็คือเนี่ยนะครับมันคิดไปเรื่อยเนี่ยนะครับเรียกว่าทยานก็ได้นะครับหรือชื่อตันหาเพราะมันหวั่นไหวในอารมณ์มีรูปเป็นต้นเออนี้ผมว่ามันชัดดีนะ ถ้ใช้เขาว่าวันไหวเนี่ยนะพูดภาษาไทยๆแบบทุกวันเนี่ยนะฟังแล้วมันเห็นชัดมันเห็นอารมณ์อะไรแล้วมันหวันไหวอ่ะนะลักษณะนั้นแหละครับตันหาเห็นดอกไม้กับวันไหวต้นไม้ใบไม้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วมันหวันไหวอ่ะนะครับในลักษณะนั้นแหละเรียกว่าตันหาวันไหวในรูปบ้างวันไหวในเสียงวันไหวในกลิ่นก็ลองลองสังเกตดูนะครับถ้าเพลงไหนที่เราชอบชอบได้ยินปั๊บเนี่ยใจมันหวันไหวทันทีเลยนะครับนะครับ รูปที่เราชอบชอบใจก็หวั่นไหวเสียงที่เราชอบก็หวั่นไหวได้กลิ่นที่เราชอบก็หวั่นไหวนะครับได้รถที่อร่อยอร่อยที่น่าปรารถนาเห็นแล้วก็หวั่นไหวนะครับ <c oughs> ครับคือบางทีก็ถึงอยู่แค่นั้นก็เรียกว่าทยานแล้วนะครับถึงไม่เลยเถิดไปกว่านั้นนะะเช่นด้วยสมณะเพศเป็นต้นเนี่ยนะครับเคยนั่งรถผ่านร้านอาหารบางอย่างแล้วกลิ่นมันเออมันน่าฉัดฮะอย่างนั้นก็เรียกว่าทะเยอทยานแล้ว ครับใจทยานไปหาหรือหน่วงนึกไปนะครับวันไวเลยนะครับก็ที่จริงก็ไอคำว่าทยานกับวันไวนี่ก็อันเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะแยกตัณหาให้เห็นก็เป็นกามตัณหาเป็นต้นนะครับขอบ ค, ครับอาจารย์ถ้าหากพอเราประสบรูปเสียงหินรถที่ไม่น่าปรารถนานี่ยแล้วเราวันไว <c oughs> ถือว่าเราอันนั้นมุ่งขยายโทสะนะครับเพราะฉะนั้นที่นี้ เน้นขยายโลภะนะครับนั้นในสายอื่นก็เท่ากับไม่ได้กล่าวถึงนะครับคือกิเลสนี่นะครับมีสิบหรืออกุศลลเจตสิกอื่นๆนะถ้ายกมาว่าตันหานี่เท่ากับว่าปิดปิดไม่อธิบายอย่างอื่นนะครับไม่เอาอย่างอื่นมาปนนะครับอันนี้โดยนัยนี่ต้องต้องรู้กันนะครับว่าไม่ประสงค์จะพูดถึงโทสะไม่ประสงค์จะพูดถึงโมหะไม่ประสงค์จะพูดถึงอิจฉามัจฉิยะสายอื่นไม่ประสงค์นะครับประสงค์ตัวตันหาหรือตัวโลภะอย่างเดียวนะครับ คือไม่ใช่ห้ามถามนะครับแต่ให้ให้รู้นะครับคือถ้าไม่อย่างนั้นขอบข่ายของสูตรนี้ก็จะเป็นอื่นไปนะครับก็เรียกว่าขอบเขตนะครับบรรดาตันหาทั้ง3นั้นราคาที่ประกอบไปด้วยเบญจากามคุณชื่อว่ากามตันหานะครับนี่แหละกามตันหาก็คือนี่แหละครับยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแจกันก็สวยเห็นดอกไม้ก็งามเป็นต้นเนี่ยนะครับจีวรก็งามนี่นะครับ นี่นะไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปหอมแล้วมันอุ่นดีเป็นต้นนี่แหละครับใช่ไหมบอกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอะไรครับเพราะจีวอนี่แหละเป็นเหตุ <c oughs> <c oughs> กุตินั่นแหละเป็นเหตุนะครับอาหารบินทะบาลนั่นแหละเป็นเหตุนะครับน้าดื่มตาสิงพวกนี้แหละครับ <c oughs> เป็นเหตุนะครับตันหาก็เกิดแถวเนี้ย <c oughs> แถวแถวสมอแถวแถวนี่แหละครับเห็นไหม รูปเสียงเปลี่นรถเนี่ยนะครับเห็นเล่มรูปเล่มพระไตรปิฎกเนี่นะครั บ, รระ บ, ะรบจะเกิดก็เกิดแถวนี้นะครับเกิดในไม้เกิดในแก้วน้ำนี่นะครับเกิดในเพื่อนในฟูง้งในอากาศร้อนก็เห็นพัดลมลนั่นแหะครับเกิดแถวๆนี้นะครับอากาศเย็นนี่พอดีนะั่นแหมะอุตุสปายะพวกนี้เกิดแถวๆนี้แหละครับคือถ้าไม่พิจารณานะถ้าไม่เชื่อมโยงไปหาหลักธรรมนะโดยทั่วๆไปแล้วเขาทั้งนั้นแหละครับ ฉันนราคาในรูปประพบและอารูปประพบความใคร่ในฌานราคะที่สหรคต ด, ด้วยสัสตตตทิทิความปรารถนาด้วยอำนาจแห่งภวะราคะชื่อว่าภาวะตันหานะครว่าภาวะตันหาก็เหมือนกับภาวาสวะที่กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับราคาที่สหรคต ด, ด้วยอุเฉท ท, ทิทิชื่อว่าวิภวะตันหานะครับคือตันหานี่นะครับตัวเขาจริงๆได้แก่ตัวโลภะ แต่ที่มาขยายเป็นไรๆอย่างก็เนื่องด้วยอารมณ์นะครับอย่างหนึ่งนะเนื่องด้วยอารมณ์อย่างหนึ่งเนื่องด้วยสัมปัยุตตธรรมอ่าคำว่าเนื่องด้วยอารมณ์เนี่ยนะครับถ้ายินดีในรูปเสียงเกลิ่นรสและโพธาภาเรียกวาการมาตันหานะอันนี้เอาอารมณ์มาที่บายทต่จริงก็คือตัวโลภะนั่นแหละนะครับถ้าเอาพบเอาฌานเอาสัสตตทิฐิมาขยายเรียกว่าภาวะตันหาก็ตันหาอีกนั่นแหละ คือเอาทั้งอารมณ์และสัมปยุตธรรมมาที่บายนะครับเช่นเอาอารมณ์คือรูปประพบอรูปประพบหรือเอาฌานอันนี้เรียกว่าเอาอารมณ์มาที่บายหรือเอาทิฐิที่เกิดร่วมกันนะครับอันนี้ก็เอาทิฐิมาที่บายหรือว่ายินดีในพบทั้งหลายนี้ก็ชื่อว่าภวะตันหานะครับราคาที่สหรตด้วยอุเฉทิฏฐินี้ชื่อว่าวิภวะตันหานี้เอาสัมปยุตธรรมมาที่บายอย่างเดียวนะครับ อีกอย่างหนึ่งตันหาที่เหลือแม้ทั้งหมดเว้นตันหาสองอย่างข้างหลังชื่อว่ากามตันหาเว้นภาวะกับวิภวะตันหาเสียที่เหลือชื่อว่าการมาตันหาเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าในตันหาเหล่านั้นภาวะตันหาคืออะไรคือความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าแห่งจิตอันสหรคตด้วยสัสจะทิฏฐิเราตถาคตเรียกว่าภาวะตันหาเพราะฉะนั้นภาวะตันหาก็คือเน้นสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกับ ทิฏฐิเจตสิกนะครับโลภะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิเจตสิกชื่อว่าภาวะตันหานะครับคืออะไรครับได้องค์ทำได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภามูลจิตสี่ดวงนะครับแต่ก็ประเภทประเภทสัสตทิฏฐินะครับคือเนื่องจากทิฏฐิเนี่ยมีหลายนายมากนะครับจะพูดทิฏฐิ62ก็ได้ทิฏฐิ6ก็ได้ทิฏฐิมีตั้งหลายนายนะครับในตันหาเหล่านั้น ภาวะตันหาคืออะไรคือความกำหนัดนักความกำหนัดนักความกำหนัดกล้าแห่งจิตนี้เราตถาคตเรียกว่าวิภาวะตันหานะครับที่มันสองรโคตด้วยอุชเชท ท, ทิธินั่นเองนะครับตันหาที่เหลือเรียกว่ากามตันหาก็ตันหาทั้งสามเหล่านั้นแยกแต่ละอย่างออกเป็นหกประเภทโดยอารมหกนะครับนะกามตันหาก็มีในอารม์6ภาวะตันหาก็มีในอารม์6 วิภาวะตันหาก็มีในอารมณ์6เพราะฉะนั้นตันหา3คูณอารมณ์6จึงเป็นตันหา18ตันหาเหล่านั้นรวมเป็น36คือตันหาในรูปภายในเป็นต้นนะคืออารมณ์ภายในนะครับ18อารมณ์ภายนอกอีก18จึงรวมเป็น36ใช่ไหมครับ 36นั้นก็แบ่งเป็นอดีต36อนาคต36ปัจจุบัน36ก็เลยเป็น1้8แนะครับแต่นั้นตัญหานั้นก็เมื่อจะทำการสงเคราะห์อีกจัดโดยไม่เกี่ยวกับการแยกประเภทการทั้ง3คือไม่ต้องเอาการมาว่านะครับคือมี36เท่านั้นเองเมื่อไม่จำแนกรูปปัญหาเป็นต้นออกเป็นภายในภายนอกนะครับก็จะเหลือ18เท่านั้นเมื่อจะทำการจำแนกตามอารมณ์มีรูปเป็นต้นก็เหลือเพียง6เท่านั้น เมื่อจะจัดไม่ให้การจำแนกไปตามอารมณ์ก็เหลือแค่3เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าอะไรนะตอนแรกก็เอาจากเล็ ก, กค่อยๆขยายให้มันโตใช่ไหแล้วค่อยๆลดลดลดลดมาให้เหลือสามเท่าเดิมนะครับทีนี้เพิ่งทราบ ว, วินิจฉัยในคาถาทั้งหลายคาถาทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าชนทั้งหลายประกอบแล้วด้วยตันหาเครื่องประกอบสัตว์ไว้มีจิตยินดีแล้วในพบน้อยและพบใหญ่ ชนเหล่านั้นประกอบแล้วด้วยโยคะคือบ่วงแห่งมานเป็นผู้ไม่มีความกเกษมจากโยคะสัตว์ทั้งหลายผู้ถึงชาติและมรณะย่อมไปสู่สงสารส่วนสัตว์เหล่าใดละตันหาได้ขาดปราศจากตันหาในภพน้อยและภพใหญ่ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับอธิบายว่า ตันหาโยเคนะความว่าด้วยเครื่องผูกคือตันหาเชื่อมความว่าประกอบด้วยกามมโยคะและภวะโยคะนะครับอีกอย่างหนึ่งได้แก่ถูกประกอบไว้ในภพเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ารัตตจิตตาภาวะภเวมีจิตยินดีแล้วในภพน้อยและภพใหญ่อธิบายว่ามีจิตคลองอยู่แล้วในภพน้อยและภพใหญ่ ยินดีในพบน้อยเป็นยังไงครับเช่นยินดีในความเป็นมนุษย์หรือยินดีในความเป็นเดรัจฉานเอ๊ะพูดอย่างนี้ยินดีด้วยเหรอเคยยินดีในสัตว์ไหมล่ะบางคนบอกไก่ตัวนี่งามจังนะอย่ยินดีในพบน้อยนะยินดีในสัตว์นะสุนัขตัวนี้แม่ดูมันน่ารักแมมดีจริงๆเลยนะเชื่อไหมครับว่าถ้าจุติขณะ น, นั้นนะเปอร์เซ็นต์ไปเกิดเป็นสุนัข ก, ก็สูงมากนะครับตัวอย่างก็คือนายโกโตฮาริกะนะครับ ก็เป็นตัวอย่างนะครับเ อ, อหมาตัวนี้มันดีจริงๆนะมันเกิดเป็นหมามันยังกินอิ่มนอนหลับเราเป็นคนนี่หมาไม่พอจะกินเลยนะชื่นชมในหมาตำหนิคนแล้วเกิดเป็นหมาอะไรกันเนี่ยทําไมถึงเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นหมาได้เอ้าก็โลภะมันเกิดก่อนตายนะครับอากุศลกรรมอย่างอื่นที่เคยทําไว้ก็พร้อมที่จะนําเกิดเป็นสุนัขได้อย่างคนเราเนี่ยบางคนก็อยากกลับมาเกิดอีกแต่ก็อาจจะไปเกิดในภพอื่นก็ได้ เพรด้วยนั้นนี้นนนนเราพูดถึงล็อกล็อกอ่ะนะล็อกว่าถ้ายินดีในสิ่งใดก็พร้อมที่จะเป็นสิ่งนั้นได้นะครับท่านถ้ามีเหตุปัจจั ย, ตจยแต่ว่าเหตุปัจจัยเพื่ออาบายนะมีหมดแล้วครับขอให้กิเลสเกิดก่อนจะตายเนี่ยใช้ได้ครับแต่ถ้ า, ถ า, ายินดีในความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้ามีโลภะ มีตันหาในมนุษย์เป็นต้นก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะครับคือประสงค์เอาว่าจิตก่อนตายเป็นประมาณนะครับนะถ้าจิตก่อนตายเป็นอากุศลก็อาบายก็หวังได้ทีนี้อาบายนะครับกรรมในสังสารวัตรนี่มีอะไรบ้างที่ไม่ทําเพราะฉะนั้นไอ้ชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่6ของเจตนากรรมเมื่อแสนโกดกลับที่แล้วก็มาให้ผลนําเกิดได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณโลภะเกิดอย่างเดียวก่อนตายนะครับที่เหลือนะ กรรมในอดีตบอกว่าเป็นภาระของฉันเองว่างั้นมันไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ได้ทำกรรมไว้นะเวนมักคกรรมเสียเวนโสดาปฏิมักซะนะครับที่เหลือต่ํากว่านั้นทํามาหมดแล้วนะครับแต่โดยมากก็เหลือสิบสองสส่วนใหญ่นะครับนี่สิบสองสส่วนใหญ่เป็นโลภะโทสะโมหะเนี่นะครับเพราะฉะนั้นดวงที่สองถึงดวงที่หกเนี่ยนะครับไม่เป็นอาหสิกรรมนะครับ ถ้าไม่นิพานนะครับถ้าไม่ดับขันปรินิพานจะไม่เป็นอโหาสิกรรมได้ปัจจัยและให้ผลเลยนะครับได้ปัจจัยและให้ผลเลยเพราะฉะนั้นภาระจิตใกล้จะตายนี่สาคัญที่สุดนะครับถ้าใครฝึกไม่ได้ไม่อบรมก็โตไผ่โตไผ่ก็โตไผ่นะครับข่อยก็ไปตามกรรมของข่อยว่างั้น <laughs> จะได้เจอกันอีกหรือไม่ก็บางอย่างนะครับบางคนนี่ยังไม่อยากเจอเลยเพราะอะไร พอทำเหตุไม่ค่อยดีนะครับแต่ไปเจอกันก็แย่ห่างๆกันไว้หน่อยดี <c oughs> ไม่ค่อยทำเหตุที่ดีเลยนะป่าถนาเจอกันนี่ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวป่าถนาจะพบเจอเจอใครอีกเนอะนาคตเนี่ยอย่าไปตั้งป่าถนาง่ายๆใช่แล้วครับถ้าศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเป็นต้นไม่เท่ากันเนี่ยนะครับอย่าไปเที่ยวป่าถนาสุมสี่สุมห้าเลยนะครับป่าถนาแล้วเขาไปเกิดในอบายเราก็ต้องตามไปด้วยนะจําได้ไหมในธรรมบท ในอุคเสสนะครับบุตรเศรษฐีเนี่ยนะครับนะแม่บ้านเขาไปพูดว่าเออจากเป็นนักร้องเออเป็นก็เป็นรับปากรับคาไปง่ายๆก็ได้ไปเป็นนักร้องจริงๆนะครั บ, ร บ, รบรน ะ, บ เ, บนะบเพราะฉะนั้นรับปากรับคําใครง่ายๆเนี่ยครับอย่าไปเที่ยวรับนะครับเพราะฉะนั้นจิตถ้ามันผูกพันกับอะไรมันจะไปกับสิ่งนั้นๆนะครับถ้าผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อ ย, ยังชั่วหน่อยนะครับสุขติหวังได้นะครับ ถ้าผูกพันกับคนอื่นส่วนใหญ่นะครับพาไปอบายซะส่วนใหญ่นะครับนะถ้าตึกผูกพันกับพระพุทธเจ้าเออนึกถึงคําสอนส่วนนั้นส่วนนี้นึกถึงพระไตรปิฎกสูตรออนั้นสูตรนี้เป็นต้นนะครับนึกถึงสงเคราะห์สาวกคนนั้นคนนี้ก็แหมพอจะเป็นกุศลได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ก่อนจะตายนี่นะครับพยายามเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยปิดอบบายได้จริงๆนะครับแต่ถ้าแหมตอนนี้ยังเจริญไม่ค่อยได้เลยแล้วก่อนตายแล้วครับอย่าหวังนักเลยนะครับ เราเป็นๆรู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยนะรู้ดีรู้ชั่วมีเวลาพอจะฝึกได้ไม่ทําก่อนตายนี่อย่าหวังเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาทวงหนี้ทวงสินใกล้จะตายนี่วุ่นวายไปหมดนะครับหรือคนโน้นจะมาแย่งชิงมรดกนะครับถ้าเกิดมีจีวรสวยๆลูกศิษย์ลูกหาเนี่มาเริ่มแย่งกันแล้วเนะี่ยลำบากนะครับอาจารย์โนมอนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝึกฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับนี่เจ้าคุณรูปหนึ่งนะครับท่านกล่าวบอกว่า เป็นฤาษีตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ในอาบายเนี่ยนะครับเกิดเป็นนกเป็นต้นมันเสียเชิงฤาษีหมดคําว่างั้นท่านพูดอย่างนั้นนะครับนี้ของเราเป็นพระพิสุทธ์นะครับตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เสียเชิงพระพิสุทหมดนะครับเกิดเป็นเทวดาก็ยังเสียเชิงอย่างนะครับมันต้องควรจะเป็นพรมนั้ยนะรู้สึกว่าที่เคยได้ยินได้ศึกษามาถึมีพิสุทธ์รูปหนึ่งเลยครัความเพียรตั้งนานไปเกิดเป็นเทวดา ลืมตามารู้ว่ามาเกิดเป็นเทวดาโศกใหญ่เสียใจใหญ่เลยนะครับวัวห้ยไม่ไหวนะครับสาบําเพ็ญมาขนาดนี้มาเกิดแค่นี้เองนะครับไม่ค่อยพอใจนะครับเนื่องจากท่านยินดีในอริยมรรคมากกว่านะครับที่จะยินดีในการเกิดในภพใดภพหนึ่งขึ้นชื่อว่าภพแต่ละภพเนี่ยเที่ยงไหมครับภพมีอะไรครับเกิดในภพต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับมีตาตามก็ไม่เที่ยงเกิดเป็นเทวดามีตาไหมครับก็มีตาก็ไม่เที่ยง เทวดาก็มีหูหูก็ไม่เที่ยงมีจมูกจมูกก็ไม่เที่ยงมีลิ้นมีกา ย, ก, ายก็ไม่เที่ยงสักอย่างแล้วมีใจนะครับวันหนึ่งรุ้กี่คิดกี่พันล้านเรื่องนะครับยยยนะครับยาให <laughs> <laughs> นะ้ก็ไม่เที่ยงนะครับนะแต่ตู้อุ้ยก็ไม่เที่ยงตูลุงก็ไม่เที่ยงครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับบทว่าภวได้แก่สัสตทิฏฐิบทว่าอภภาวะได้แก่อุเฉททิฏฐิเพราะฉะนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตติดข้องอยู่ในภาวาภวะคือสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฐิด้วยคําว่าภาวาภวะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงภวะตันหาและวิภวะตันหาในธรรมะฝ่ายนี้เพิ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตามตันหาอย่างเดียวไว้ ด้วยบทนี้ว่าตันหาโยเคนะดังนี้ ค, ค, คนที่ยังไม่ได้บรุโสดาบันหรือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระผู้ธมีภาคเจ้านี่อคนเหล่านี้นี่ถือว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิทั้งสองนี้ทั้งหมดไหมโดยโมากโดยมากนะครับน้อยมากนะครับที่จะเป็นไปกับกรร ม, มสกตาสัมมาธิทิฏฐิพิจารณา เ, เห็นปฏิจจสมุปบาทนะครับน้อยเต็มทีนะครับ อางี้นเราไปเที่ยวเสาะแสวงหาพระภิกษุที่อธิบายตามเนี้นะครับง่ายไหมครับเอาแบบนักบวชด้วยกันเลยหรือไม่ก็เอาไปวัดเรานี่แหละครับมาเข้าใจกี่องค์นะครับศปสัาตะทิฏฐิอุเฉททิฏฐิแล้วก็มัชจิมาปฏิปทานนี่เป็นยังไงเอาคนที่เรารู้จักดีๆนี่แหละครับไปเที่ยวถามดูนะครับเปิดตําราดูเลยเขาอาจะที่บายตามหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่าว่านอกวัดนักเอาในวัดนี่แหละครับ ที่ ท, ที่ในตำราในะที่เราศึกษากันมาบอกว่า อ, าอา่นิพพัทตันหาเนี่ยคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหยถูกถูกครับอ๋อไม่ถูกครับไม่ถูกะที่แปลว่าวิพวัทธันหาแปลว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยนะครับไม่ถูกอยู่แล้วอคือวิภพวทธันหาคือตันหาที่เกิดพร้อมกับอุเฉททิฐินะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเช่นตายแล้วศูนย์เป็นต้นนะครับแต่ไอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากมีโน่นไม่อยากมี น, น, มมนี่อันนี้ส่วนใหญ่ฟังแล้วเป็นลักษณะของโทสะมากกว่า น, นะครับนะครับไอ้ไม่อยากที่ที่ฟังฟังดูนะส่วนใหญ่เป็นโทสะแต่ว่ า, าวิภวะตันหานี่นะครับคือยินดีในวิภพนั่นเองคือมีความเห็นว่าขาดศูนย์คือเนื่องจากภวะนี่เป็นถ้ารัที่ภวะนี่เป็นสสติทิติวิภวะนี่เป็นอุเฉตทิติ พันธะตันหาที่เป็นไปกับสัสตต์ที่ถีเรียกว่าภาวะตันหาตันหาที่เป็นไปกับวิภวะที่ถี่ก็เป็ น, ปนวิภวะตันหาส่วนที่ว่าอยากมีเมียน้อยอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ส่วนใหญ่ที่พูดพูดกันเนี่ยคือกามตันหาทั้งนั้นเลยนะครับที่ชาวบ้านคุยกันนะเป็นกามาตันหาเท่านั้นเองแต่อาศัยคําว่าภาวะศัพท์นะครับแต่ที่นี้ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ที่อธิบายแนวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยคิดถึงเรื่องชาติหน้าอะไรเท่าไหร่นะครับ ซึ่งมันก็ขัดกับสภาวะที่เป็นจริงนะครับเนื่องจากคนยุคนี้นี้ส่วนหนึ่งเป็นอุเช ท, ทิธิติส่วนใหญ่นะครับเป็นเป็นไปนได้ไหมว่า เ, เมื่อเขาเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเ้าเลยพยายามที่จะเจริญฌานเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดใหม่อีกอะไรทําองๆพวกนี้ก็เป็นวิภววัตัณหาเหมือนกันถ้าเขาไปคิดว่าในภพนั้นนั้นแล้วขาดศูนย์นะครับคือเขาก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วอย่างเงี้ยฮะ จะจะจะเป็นเจตนาของผู้แปลหรือผู้เขียนหนังสือไหมว่าไอความว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นของท่านเนี่ยท่านหมายเอาว่าคนที่มันไม่อยากเกิดมาอีกแล้วแต่โดยมากเขาไม่ได้อยากพูดแบบนี้หรอกครับเท่าที่ผมฟังคำอธิบายการตีความของคนรุ่นหลังไหมหรือยังไงของทอมอ๋อนี่แน่นอนนะครับเพราะว่าคือคนที่แปลนะครับผมอยากเชื่อเลยว่าเขาไม่ค่อยเชื่อแนวความคิดแบบอัตกถามมากนักนะครับคนที่แปลหลักสูตรนักธรรมนะครับ เขามีคําหนึ่งเขาบอกว่ า, าพระอัตถคถาจารย์เยชื่อสัพพัญยุตยานเกินไปมีคํานี้ด้วยนะครับนะครับมีนะในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับในยุบุนประเภทคำำํานําเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปอันนี้มากมายนักนะครับพยายามใช้คำภีร์ที่มาตรฐานเลยครับเพราะถ้าหากว่าเราเป็นคมภีร์ถึงเขาแปลมาจากพระไตรปิดกนี่ยเขาก็แปลเป็นความรู้สึกสัส่วนใหญ่ไม่ได้ขยายตามแนวอัตถคถาและดีกา แต่ก็มีนะครับคนในยุคนี้บางสถาบันก็ไม่นับถือเลยนะครับอัตถาเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาไม่มีศรัทธาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ศรัทธาทั้งหมดนะครับอภิธรรมบางสำนักก็ไม่ศรัทธาอะไรเพราะฉะนั้นคําพูดไหนที่ขยายตามแนวอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาจะรับไม่ได้เลยหรือแม้แต่พระสูตรบางสูตรก็รับไม่ได้บางคนถึงกับแทบจะสั่งให้ตัดพระไตรปิฎกบางส่วนออกไปนะครับ ครับนี้เราก็ถือว่าเป็นโทษของวัตานะครับเพราะฉะนั้นที่จริงข้อมูลทั้งหลายที่มันผิดพลาดเนี่ยผมมีค่อนข้างมากนะครับแต่ผมไม่เอามาวิจารณ์เพราะว่ามันทําให้ผมซ่องเสพกับใครก็ไม่รู้นะครับนะครับก็เลยไม่อยากเกี่ยวข้องนักนะครับก็พยายามที่จะน้อมนึกพิจารณาตามนี้นะครับทีนี้ในฐานะเราอยู่ในสายนี้แล้วก็ก็จะคิดไปในลักษณะนี้นะครับขอการครับคือเรื่องของ เพราวะว่าตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเคยได้ยินว่าท่านขยายว่าถ้าเป็นผู้ที่มีภาวะตัณหาเนี่ยจะไปเกิดเป็นรูปภพรูปภพเคย ม, มันมั น, นมันอยู่ที่เจตนากรรมนะครับมันอยู่ที่เจตนากรรมันนะตัวตัณหามันเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดที่สําคัญมากแต่ว่าจะได้เกิดหรือไม่นะครับอยู่ที่เจตนากรรมนะครับ ไม่ใช่ว่าโอ้โหผมเนี่ยวันวนหนึ่งเนี่ยผมก็ปาณาติบาตอาทินนาทานเพียบเลยศีลไม่ค่อยดีแหมจะดูสิตอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเจตานาที่คู่ควรแก่การปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตไม่มีนะครับยอยากขนาดไหนก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะความอยากนะครับเพราะว่าธรรมะที่จะทําให้สําเร็จความปรารถนาคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาระและปัญญา หกุศลกรรมบททั้งสิบดีเยี่ยมนะครับจึงจะตั้งความปรารถนาแล้วสําเร็จไม่ใช่อยากอย่างเดียวแล้วจะสําเร็จได้นะครับเหมือนอย่างกับพวกพวกฤาษีเนี่ยเขาทำความเพียรเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิพพานในการที่ทําความเพียรการอะไรของเขาเนี่ยหือว่าเป็นพมเป็นอะไรเพราะนั้นเนี่ยเขาทําความเพียรก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมบ้างอรูปรูปประพรมบ้างอรูปประพรมบ้างส่วนที่เกิดเป็นรูปประพรมเนี่ยท่านให้ความหมายว่าเป็น ภวะตันหาส่วนที่เกิดไปรูปภมให้ความหมายว่าเป็นวิภวะตันหาอัานี้ถูกต้องไหมครับคือวิภวะตันหาเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าไปอยู่ในภพนั้นนะครับหมดจากภพนั้นแล้วจะไปศูนย์ที่ภพนั้นนะครับ่าพวกนี้นเป็นวิภวะตันหาเช่นไปศูนย์ที่อรูปรภพนะครับไปดับที่อรูปรภมจริงๆนะครับอันนั้นแหละพวกวิภวะตันหาแต่ถ้าไปเที่ยงที่อรูปรภพพวกนั้นก็เป็นภาวะตันห า, า, น า, ยนนหาอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเอาคำว่าภวะกับวิภวะหรือสัสตตถุฐีและอุเชติทิฐิมาทำความเข้าใจให้เพียงพอก่อนแล้วจึงจะเข้าใจคำว่าตัญหาที่เป็นไปกับภวะตัญหาหรือวิภวะตัญหานะครับบทว่าเตโยค่ายุตามรารสะความว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้เป็นอย่างที่ว่ามานี้ถูกประกอบแล้วคือถูกผูกไว้แล้ว ด้วยเครื่องผูกกล่าวคือบ่วงแห่งมารเพราะว่าราคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องผูกของมารเป็นบ่วงของมาร น, นะตัวราคะเนี่ยนะมันเป็นเครื่องผูกด้วยเป็นบ่วงของมารด้วยสมดังที่มารกราบทูลพระผู้มีพระภาคในมารสังยุติว่าบ่วงนี้ใดที่มีอยู่ในใจเที่ยวไปได้ในอากาศสัญจรไปอยู่เราจะผูกท่านด้วยบ่วงนั้นดูก่อนสมณะท่านจากไม่พ้นเรานะครับ ขอให้ท่านมีราคะเถิน่านะครับถ้าท่านเกิดราคะในอารมณ์ใดนะข้าพเจ้าจะผูกท่านเลยทันทีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านราคะเกิดนะั้นจะผูกนะเพราะฉะนั้นดูนะในพยามานที่เขาหาหาช่องที่จะประพฤติเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวราคะที่มันเกิดในใจเนี่ยนะครับเวลาราคะเกิดเมื่อไหร่นะฉันถูกผูกแล้วฉันเข้าบ่วงไปแล้วนะครับให้นึกแบบนี้ก็ได้นะครับ โอ้นี่บ่วงมานนะครับตัวกิเลสในใจเราอ่ะนะเวลาที่เราเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าถูกบ่วงของมานมาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับในนี้นี่นบ่วงมานบ่วงนี้นี่เป็นเทวบุตรมาเรียว่าเป็นกิเล ส, สมานกิเลสมานนะครับคือทั้งเป็นเทพบุตรมาด้วยทั้งกิเลสมานด้วยแต่ของเราโดยมากกิเลสมานซะส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นอภิสังขารามานเพราะว่านําไปสู่การเกิดในภพใหม่ ผมสังเกตจากข้อความในพระไตรปิฎกโดยมากนะครับเช่นถ้าราคาผูกกับอารมณ์ใดนะท่านจะไม่มองชีวิตแบบเรานี่ยนะครับสองวันสามวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะพระ อ, องค์จะแสดงว่าถ้าราคาอันนี้เกิดขึ้นนะปฏิสนธิในพบใหม่นะครับจะมองในลักษณะนี้ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าราคาที่จะไปเดือดร้อนในวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนั้นจะมาในรูปแบบของพระวินัย นะครับว่าจะไปเสียศีลเสียธรรมเสียชื่อเสียเสียงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าราค่าหรืออกุศ ล, ลวิตกตกทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่เป็นบาปเป็นอากุศลเนี่ยท่านมองในเรื่องพบใหม่ซะส่วนใหญ่นะครับท่านจะคิดถึงเรื่องการปฏิสนธิในพบแต่ละพบซึ่งเมื่อปฏิสนธิในแต่ละหนแต่ละแห่งนี้มันอันตรายมากนะครับถามว่าทําไมจึงอันตรายอะ่ะไปเกิดเป็นลูกใครอะ่ะไม่มีพ่อเป็นอะไรส่งไปเรียนอยู่โรงเรียนไหนครับโดยเฉพาะมีไหมครับโรงเรียนพุทธศาสนานี่หายยากเต็มทนนะครับ ก็เป็นโรงเรียนอย่างอื่นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ยากนะครับที่จะไม่ไปเป็นมิจฉาทิฐิหรือแม้แต่อ่านหนังสือของมิจฉาทิฐิบุคคลเขียนแล้วเราก็พร้อมที่จะไปเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตำรับตําราในยุคนี้มันมหาศาลพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเขาจะเก็บไว้หลังๆที่ใครไม่ค่อยสนใจนะครับถ้ามาเกิดในยุคหน้าเนี่ยนะครับท่านไปหาซื้อหนังสือนะครับยากนักที่ท่านจะหยิบพระไตรปิฎกหรือจะซื้อพระไตรปิฎกต้องหยิบอย่างอื่นก่อนนะครับ นะเมื่อหมดทางไปแล้วค่อยหยิบพระไตรปิฎกทีหลังนะครับอันนี้ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นนะครับตาก็แทบพังไปแล้วดังนั้นคนที่จะมีบุญได้อ่านเนี่ยยากเย็นเต็มทีนะครับทําไมครับบางทีคนก็มีศรัทธานะแต่เวลาก็ไม่พออีกนะครับมีศรัทธามีเวลาตาก็ไม่ไหวเอกนะครับมีศรัทธามีเวลาตาไหวแต่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอีกนะครับอ่านแล้วเข้าใจอีกมันก็ ปัญหาอย่างอื่นก็มากลุ่มมารุมไปอีกนะครับบาปประกา ร, รอย่างอื่นก็มาตามซับตามเล่นงานอีกโอ้ปัญหามันเยอะนะครับมันเป็นบ่วงของมารจริงๆนะครับวัตตะเนี่ยนะครับเป็นมัจจุเทรยะนะครับเป็นเครื่องผูกของมารเป็นเครื่องล่อของมารจริงๆนะครับนะก็อย่างเช่นดูนะเราชิดูชีวิตที่เป็นไปในการศึกษาพระธรรมของเราเนี่ยเอาชีวิตสมมาณะเพศก็แล้วกันนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับบวชสิบปีกันสามรูปนะเนี่ย เกินสิบปีเนี่ยมีรูปหนึ่งเกินยี่สิบได้ไหมเกินยี่สิบยหมเกินนะเกินเกินยี่สิบปีนะครับปิดไว้นะครับเขาไม่ถามอายุกันหรอกไงคือตรงนี้เนี่นะครับเอางี้นะชีวิตที่เป็นไปกับการฟังธรรมวันละหลายๆายครั้งเนี่ยมีกี่ปีครับ อย่างนี้ดีกว่านะครับชีวิตในสัมาณะเพศเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับโหฟังธรรมเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยนะรประมวลประมวลแล้วคาดว่ากี่วันนะครับอันนี้ฟังนะแล้วสนทนาธรรมะนะครับกับผู้เรื่องอื่นเนี่ยนะกี่ครั้งเนี่ยนะบวกลบคูณหารดูว่าแม้แต่อยู่ในสัมาณะเพศก็ยังนับว่าประมาทมากนะครับถ้าสังเกตจากพฤติกรรมประจําวันนะครับนะสังเกตจากพฤติกรรมประจําวัน เมื่อกุศลเจริญยิ่งกว่าเดิมแล้วจึงรู้ว่าที่ผ่านมาประมาทนะครับแต่ถ้ายังกุศลไม่ค่อยเจริญเท่าเดิมกว่านี้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเจริญกุศลมากๆขึ้นจึงจะรู้โอ้โหเรานี่ประมาทจริงๆนะครับวันก่อนนี้ก็ประมาทวันก่อนโน้นก็ประมาทหรือถ้าหากว่ากุศลช่วงนี้พิจารณาธรรมะดีนะชั่วโมงที่แล้วก็ประมาทนะครับจะมีความประนีตลึกซึ้งไปอีกตามนั้นตามนั้นไป นะครับแต่นี้เราก็อย่าไปเทียบกับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเทียบอย่างนั้นนะก็เหมือนกับเราคลานได้แล้วก็ไปเทียบกับพวกง่อยนะครับพวกนอนซมอยู่กับที่ขยับไม่ได้นะไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เอาเทียบแบบมาตรฐานแบบในคัมภีร์สิครับว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเหล่านั้นปฏิบัติตัวกันอย่างไรต่อไปนะครับว่าเหล่าสัตว์ชื่อว่าผู้ไม่กเกษมจากโยคะเพราะไม่ได้บรรลุนิพพาน และพาหันชื่อว่าเป็นแดนกเกษมจากโยคะเพราะถูกโยคะทั้ง4ี่ขัดขวางคือถ้าหากว่าผู้ที่ไม่บรรลุเป็นพาหันนี่นะครับก็จะถูกโยคะ4ขัดขวางใช่ไหมครับแต่ถ้าพาหันก็ไม่ถูกโยคะสีนี่นะครับคือเครื่องประกอบเนี่ยประกอบไว้นะครับทีนี้สัตว์นี้ชื่อว่าชนเพราะเป็นที่เกิดกิเลส และอภิสังขารทั้งหลายติดตามกันต่อไปชื่อว่าสัตว์คือข้องอยู่ในรูปเป็นต้นจะไปสู่สงสารนะครับที่กำลังพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับกล่าวคือการเกิดขึ้นต่อต่ อ, ตอแห่งขันเป็นต้นนะครับจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งใช่ไหครับจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละอย่างที่ข้อความที่โบราณท่านตรัสไว้ว่าขันติขันติเป็นต้นนะครับอภิชินนาวตมานานัง นันจะนันจะครับลำดับแห่งขันธาตุและอายตนะทั้งหลายเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารคือจะไม่พ้นไปจากสงสารนั้นเพราะเหตุไรเพราะประกอบด้วยเครื่องผูกคือตันหาศาสทั้งหลายผู้มีปกติไปสู่ความเกิดความตายคือเป็นไปเป็นผู้มีปกติเข้าถึงความเกิดและความตายบ่อยๆนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงวัตตะด้วยคำมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงวิวัตตะจึงกล่าวว่าเยจะตันหั่งประหารตวานะนะครับที่พระองค์ตรัสว่าส่วนสัตว์เหล่าใดละตันหาได้ขาดแล้วปราศจากตันหาในภพน้อยและภพใหญ่ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับคือเป็นผ้ารหารแล้วนั่นเองนะครับ